สิกขาบทที่ห้าเรื่องพระชาพภาีสี642สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นผู้ พ, พิสุจน์ชาคีแสดงธรรมแก่คนที่นั่งรัดเขา่าพระบัญญัติห้าพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งรัดเขา่าเรื่องพระชพปี สิกขาบทวิพังภิสูุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งรัดเขา่าพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งรัดเข่าด้วยมือต้องอบัติทุปกดอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นพิกษุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภพิกษุวิกลจริต 7. ภพิกูุต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 5. จบ